นั้นมีปัญญานำหน้ามีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินำหน้าวิปัสนาสัมมาทิฏฐินำหน้าศีลจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ได้เท่าใดความเพียรมันก็ชัดเจนเท่านั้นกําลังใจก็เพิ่มพูนเท่านั้นว่าเออมีผลมีผลอกุศลมันลดลงไปกุศลเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเห็นชัดว่าความเพียร น, นี้ไม่ไร้ประโยชน์เห็นชัดตามที่พระ อ, องค์ตว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติ ผู้ที่ล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเมื่อเห็นว่าความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้เราพ้นทุกข์แน่นอนสติก็สัมปชัญญะก็มียิ่งขึ้นระวังมากขึ้นเรียกว่าตรวจสอบละเอียดถี่ท่วนมากยิ่งขึ้นเมื่อละเอียดถี่ท้วนมากขึ้นเท่าใดใจก็ตั้งมั่นเท่านั้นก็คิดว่าตัวเองไม่มีอันตรายนะสมาธินี้เกิดจากความคิดที่ว่าไม่มีอันตรายโดยประการทั้งปวงเราเป็นผู้ไม่มีอันตราย ทีนี้ไอ้ อ, องของสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยนะถ้าใน อ, องค์ของชานทั้งหลายมันอยู่ข้อที่ห้ามาจากวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาจึงจะตั้งมัน่นนะยกมาแค่เอกคตาวิตกวิจารปีติสุขเท่ากับกล่าวมาแล้วเนี่ยนะเพราะนองตัวนั้นอนะ่ะมันมันหนุนให้เอกคตาก็ตั้งมัน่นถ้าเอกคตาตั้งมัน่นเท่าไดอนะภารกิจที่สําคัญที่สุดของชีวิตก็คือต้องการเห็นอริยสัจ เอาจิตที่ตั้งมั่นไปวิจัยอริยสัจ ต, ต่อก็ปไปวิจัยอริยสัจพิจารณาทุกขสัจจะทั้งทุกที่เคยเป็นอดีต ท, ทุกอนาคตทุกปัจจุบันทุกภายในทุกภายนอกทุกอยาบละเอียดเลวประณีตเป็นต้นนี่พอวิจัยไปพิจารณาไปเนี่ยนะมันฟุ้งซ่านแห้งแล้งทําไงดีพิจารณาไปเ น, นะนี่ย น, นะไม่ใช่ว่าจะมีความสุขได้ทั้งวันอะไรหรอกเพราะว่าไอ้อุปนิสัยที่ตัวเองเคยสั่งสมมาที่ไม่ดีมันจะทะลักมาแทรก เพราะว่า ง, งั้นพอจะทําดีเข้าหน่อยเพื่อนเก่าๆขี้เมาทั้งหลายก็มาชวนดื่มอะไวเพราะงั้นนะ ก, ก็คล้ายว่าลักษณะแบบนั้นเอาแล้วก็เอาชำระศีลอีกชําระศีลชําระสมถะชำระวิปัสนาอีกเพิ่มปูนหมุนอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าพาเวตประธรรมต้องเจริญต้องบ่มต้องภาคเพียรจะต้องดูแลระมัดระวังเป็นกิจกิจเป็นภาระกิจที่สําคัญของชีวิตเนี่ยนะมีเป้าหมายปลายทางที่ ชัดเจนเพราะาเวตปะธรรมนั้นเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสันเสริญยกย่องอนะยกย่องบ่อยมากเช่นกายกตาสติผู้ใดเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างลงสู่อ ม, มะตะมีอ ม, มะตะเป็นที่สุดสันเสริญมากเลยเกี่ยวกับเรื่องภาเวตประธรรม ยกย่องเยอะในพระสูตรเป็นร้อยสูตรให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญโดยอาจจะยกตัวอย่างไม่ได้ยกทั้งหมดอาจจะยกแค่สติยกสมาธิหรือยกปัญญาหรือยกกุศลวิตกหรือยกศีลหรือยกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ให้พอโดยมากมีเกือบทุกสูตรเนี่ยนะมีเกือบทุกสูตรเพื่อให้เห็นคุณว่าการเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ ที่นี้ย้อนกลับมาหาพาเวตประธรรมอีกครั้งหนึ่งว่าพาเวตาประธรรมต่อจากข้อความในทัุตรัศนูเนี่ยนะทะัศนรสูตรนั้นยกข้อความที่เป็นพาเวตาประธรรมทำหนึ่งควรเจริญคือกายคตาสตทิที่สหรคตด้วยความสรรรมําราญทำสองที่ควรเจริญคือสมถทวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปทานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิ มีองค์ห้าทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญคือพอดชงเจ็ดทำเจ็ดที่ทําแปดที่ควรเจริญคืออริยมรรคมีองค์แปดทําเก้าที่ควรเจริญคือนวปาริสุทธิปทานนิยังคะเก้าองค์แห่งความเพียรอันเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์เก้าประการทําสิบที่ควรเจริญก็คือเกษินสิบ นี้พอมาขึ้นข้อใหม่ข้อหกสิบแปดบอกว่าภาวนานี่มีสองอันนี้เน้นเน้นอัปนาภาวนาอย่างเดียวไม่พูดภาวนาระดับล่างๆแล้วถือว่าอะไรนะถือว่าพูดมาหมดแล้วห้องนั้นทั้นภาวนามีสองโลกิยะภาวนากับโลกุตระภาวนาอันนี้ถ้าแยกย่อย่อลงมาก็มีอยู่สองอย่างคือโลกิยะภาวนากับโลกุตระภาวนาเแล้วมาแยกให้ชัดอีกว่าภาวนาสาม โลกิยะภาวนาคืออะไรก็คือการเจริญธรรมะอันเป็นรูปาวจรกุศลการเจริญธรรมะอันเป็นอรูปาวจรกุศลมันโลกิยะคือรูปาวจรกุศลและอะรูปาวจรกุศลโลกุตระคือการเจริญกุศลอันไม่นับเนื่องในโลกอะปริยาปณะไม่นับเนื่องในกามาวจรไม่นับเนื่องในรูปาวจรไม่นับเนื่องในอะรูปาวจรเพราะเป็นโลกุตระมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ยังไง ทีนี้โดยปกติโลกียภาวนาที่เป็นรูปาวจรอะรูปาวจรรูปาวจรกุศลแบ่งออกเป็นสามกลุ่มอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตอะรูปาวจรก็บอกอย่างเลวอย่างกานกลางและอย่างประณีตไอประเภทไหนสุดซุดซุดซุดก็เหมือนกับสร้างบ้านฐานเกือบซุดแล้วเลยนะมุดไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วก็ราวไปทั่วไปทั่วมันจะค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆอันนี้แปลว่าอย่างเลว ส่วนสุดลงเพราะอย่างเร็วเราก็ส่วนสุดเช่นใครได้ปฐมชาญโน้มไปหากรามทั้งหลายสุดแน่จบแน่ถ้าได้ทุติยะชาญเนี่โน้มมหาวิโตควิจารณเนี่ยสุดแน่เนี่ยนะถ้าได้ตาติยะชาญเนี่ยน้อมมหาปีติก็สุดได้จตุทัชานแล้วน้อมมหาความสุขก็สุดได้อารูปชาญเนี่ยน้อมมหารูปชาญก็สุดได้วิญญาณัญจา ย, ยตนะก็ยังชอบอ า, ากาสารัญจา ย, ยตนะ เรีว่าถ้ามีคุณชั้นสูงแล้วยินดีพวกล่างๆลงไปเนี่ยสุดนะแปลว่าไม่เจริญเช่นคนที่ได้ปฐมฌานถ้ามีใจหนบหมกมุ่นในกามน้อมไปในกามเสื่อมถ้าได้ฌานระดับสูงถ้ายินดีในคุณล่าง ๆ, ๆล่างๆลงไปอันเนี้ยเสื่อมแน่นะนะพูดเรียนว่าอยู่ระดับสูงแต่ไฟต่ำเาว่างั้นนะถ้าพูดแบบตรงตัวหน่อย ทีนี้ถ้าส่วนตาลกลางพวกนี้อนุรักษ์นิยมได้เท่าไหร่ก็เอาไปนั่นแห ะ, ะ, ะ, ะรักษาไว้อย่างดีเ น, นี่ยนะทนุทน้อมหวงแหนดูแลปกตกรักษาเป็นอย่างดีได้ไดปฐมมาชานก็โอ้แค่นี้ก็รักษาให้มันได้ก็ดีแล้วดีทมเทแล้ววันนี้ก็อนุรักษ์นิยมในคุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยนะก็ยินดีพอใจเพลิดเพลินที่มีคุณเช่นนั้นพอใจในคุณเช่นนั้นเขาเรียกว่าพวกตาลกลางเช่นได้ปฐมมาชานก็บอกโอ้ปฐมมาช น, นี่มันพอแล้วนี่ก็วางได้เลยว่า พรมโลกอย่างเดียวมันไม่ต้องไปเอาทุติยะฌานบริหารยากเหมือนกันมันไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ๆเราเอาอยู่เท่าเก่านี่แหละดีที่สุดแล้วพวกนี้ก็มันพวกที่ได้ธุติยะฌานก็บอกว่าคือบางคนเนี่ยมันมีความพอใจเต็มใจในคุณบางอย่างเมื่อไปถึงระดับหนึ่งมันจะเลิกเช่นบางคนเนี่ยพอเจริญกุศลได้ระดับหนึ่งก็พอแลแ้วกุศลแค่นี้พอแล้ว เอ้ยสิห้าสิบแปก็ให้มันได้เถอะทั้งวันนะอันนี้พวกระดับล่างๆก็จะคิดแบบนี้แต่พวกสูงบอกอุ้ยมันต้องปฐมฌานสิพอได้ปฐมฌานปั๊บปุ้ยปฐมฌานก็ไม่ธรรมดาแล้วเอาใค่แค่นี้ก็รักษาให้มันอยู่ให้มันเสื่อมเถอะเนี่ยนะพวกพอเจะโดนไปถึงทุติยฌานพวกนี้ก็เหมือนกันเด็กบอกโอ้ยทุติยฌานนี่มันดีกว่าปฐมฌานนักหนาแล้วพวกนี้อันได้พวกเปรียบกับช wow> ั้นล่างๆแล้ตัวเองดีกว่าเพราะอนุรักษ์เข้าไว้ดูแลปกปักรักษาพวกก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้จนถึง เนวะสัญญาณาสัญญาอตนะมันก็จะเก็บบอกว่าโอ้ยแค่นี้พอแล้วบางพวกได้เนวะสัญญาก็บอกออ้ยนี่สุดยอดแล้วภวคะ ก, ก็บอกโอยอักคะของครบแล้วสุดยอดแล้วก็เลยบอกพอแล้วบางพวกก็เลยพวกวิวเศษพวกหานะภาคยะเอ่อขอไปทิติภาคยะส่วนบางพวกมีโน้มขึ้นระดับสูงยิ่งขึ้นพวกนี้เรียกว่าไฟสูงไฟสูงในภาษาทางธรรมะเรียก ว, ว่าวิเศษภาคยะ แต่ภาษาไทยมาเอาไว้สกัดจุดเอาไว้เบรกคนอื่นเขาบอกพวกนี้มันมักใหญ่ไฟสูงกันเลยนะเอาไว้เหยียดเอาไว้ยามเอาไว้ใช้คําไว้ดูหมิ่นกันมันมัวแต่ย่างมักใหญ่ไฟสูงเรนะาบ อ, าา อ, าอา ก, ก ง, องั้นเอา้าดีไม่ใช่เหรอแต่ก็เป็นคําพูดที่ไวถ้ถากฐางทั้นใครจะคิดอะไรนี่ต้องแอบคิดนะใครที่คิดหวังความเจริญนี่ต้องแอบคิดเพื่อให้ปกปิดคิดไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเสียดสีนะกลัวคนอื่นเขาจะเสียดสีท่านจะต้องแบบอะไรจะทําความดีเพื่อให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องแอบทํา เมื่อมีอำ น, นาจเพียงพอแล้วค่อยกล้าเปิดเผยเขา้าบอกงั้นแล้วก็เพราะกลัวคนอื่นเขาจะว่าเอาว่าพวกมรรคใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานแต่ทางธรรมะถือว่าเป็นส่วนวิเศษเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีว่าต้องฝึกไฟยิ่งขึ้นนะให้มันวิเศษขึ้นสิวิเศษขึ้นสิพระองค์บอกว่าเรายังไม่สรนเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปใหญ่ถึงล้าหลังท้อถอยมางั้นขนาดหยุดยังไม่สรนเสริญสันเสริญแต่ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่า น, นั้นแหละ ส่วนโลกุตระธรรมเนี่ยนะดีอย่างเดียวประณีตอย่างเดียววิเศษอย่างเดียวเพราะว่านำออกจากวั ต, ตะเนี่ยนะเพราะเลวปานกลางประณีตเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไว้คุยกันในโลกิยธรรมสิ่งที่คุยกันในแวดวงของขันห้าเพราะขันห้าเป็นเครื่องเปรียบว่าขันเลวขันประณีตอ่ะอย่างเลวก็มีอย่างประนีตก็มีนะอยู่ไกลก็มีใกล้ก็ ม, กกมีอย่างคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบัน อภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลหรือใกล้สิ่งนี้เขาให้คุยกันกับขันห้าในวัฏฏะในภูมิสามเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมประณีตอย่างเดียวเพราะไม่มีอะไรมาเป็นส่วนเปรียบแบบพระวรโลกุตระธรรมเนี่ยนะเพราะมีแต่ดีมีแต่ประณีตมีแต่สูงสุดอย่างเดียว ในโลกิยะภาวนาโลกุตระภาวนาทั้งรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระกุศลธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดอัปปนาภาวนาอย่างเดียวเน้นอัปปนาอัปปนาแปลว่าตั้งมั่นตั้งมั่นระดับไหนบอกว่าระดับฌานหมายเอาความตั้งมั่นในคุณธรรมระดับฌานถามว่าทำไมจึงเน้นเอาคุณธรรมระดับฌานเในอัตถกถา อัตกรทาเอกสารหน้าสิบแปดที่บอกว่าที่ชื่อว่าอปริยาปนาเนี่ยนะอ อ, ป ร, อปริยาปนาก็คือนับเนื่องในภูมิสามอปริยาปนาก็คือไม่นับเนื่องในภูมิสามก็คือหมายถึงโลกุตระเนี่ยนะไม่นับเนื่องก็มาจากอปริยาปนาถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่กล่าวถึงการเจริญธรรมะที่เป็นกามาวจรกุศลเล่า แม่น่าจะพูดเรื่องมหากุศลบ้างสิทำไมขึ้นนึ่งฌานรูประฌานอรูประฌานนู่นพูดถึงโลกุตระเอามหากุศลยาณสัมปยุทธไม่ได้หรือเพราะว่าตอบเพราะว่าเมื่อการเจริญถึงขั้นอัปปนาอย่างเดียวท่านประสงค์เอาว่าเป็นภาวนาในคำพีพระพิธรรมคือเรียกว่าแสดงให้มันสอดคล้องกับหลักอภิธรรมเพราะว่าภาษาบุทแสดงไม่ให้ขัดแย้งกับคมภี ธรมพีวิพังเรียกว่ายานวิพังนะนะยานะวิพังหมวดสามโสตมยะยาสุสตมยะยานจินตามะยะยานและภาวนามะยะยานนี่มาดูข้อความยกมาเป็นตัวอย่างจากอภิธรรมมาดูว่าสุตมยะยานคืออะไรจินตามะยะยานนี่ยคืออะไรแล้วก็ภาวนามยะยานคืออะไรมันก็เลยยกข้อความอันนี้มาธรรมพี อัตถกาถกาปฏิสัมพิธามะคนี่ชื่ออะไรอัตถกาถาปฏิสัมพิธามะสัทธธรรมะปกาสินีทำไมมันทัดบนสุดอ่ะสัทธธรรมะปกาสินีอธิบายไว้ว่านะยกมาจากอธิธรรมว่าพระโยคาวจรไม่ได้สดับมาจากผู้อื่นอันนี้ขึ้นต้นด้วยแบบจินตามียาปัญญาก่อนนะว่าไม่ได้ฟังจากใครเลย ย่อมได้เฉพาะซึ่งกรรมสัศกตาคือความรู้ว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนหรือความรู้อันสมควรแกร่สัจจะที่เรียกว่าอัศจรานุโลมมิกรยานไม่ฟังจากใครเลยมีกรรมสัศกตายานโดยตัวเองส่วนตัวหรือได้สัจจานุโลมมิกระยานได้ความรู้ต่ อ, อได้ความรู้ที่อนุโลมต่อการตรัสรูอริยสัจ หรือมีความรู้ในอายตนะคือการงานที่ประกอบด้วยความเพียรก็ว่ามีมีความสามารถในการทำอะไรโดยที่ไม่ต้องคนอื่นสอนหรือในอายตนะคือศิลปะซึ่งประกอบด้วยความเพียรหรือฐานะแห่งวิทยาซึ่งประกอบด้วยความเพียรแปลว่าพวกนี้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วไม่ผิดพลาดคิดเองได้หมดเลยเนี่ยนะสามารถคิดคานวณเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาแนะนาเสี่ยมสอน หรือได้ความชอบใจความเห็นความพอใจความบันเทิงความเพ่งความชอบใจในการเพ่งทำเห็นป่า น, นั้นว่าหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับว่ามีความสามารถในการพิจารณาขันห้าด้วยวิปัสสนาญาณลำพังตนว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเป็นต้นเรียกว่าเจริญวิปัสสนาได้โดยลำพังตัวเองอย่างเช่นพระพุทธเจ้า ตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มีใครมาสอนกรรมมศกตาแก่พระองค์มั่งไม่มีมีใครสอนวิปั ส, สนาแก่พระองค์ไหมไม่มีมีใครสั่งสอนพระองค์ในการกำหนดรู้อริยสัจเป็นต้นไหมมีใครมาสอนว่าอะไรควรละควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรเจริญควรทำให้แจ้งมีใครสอนพระองค์ไหมมีใครสอนโรงไหมท่านมีแต่ข้อความในธรรมจักรนะอนนุสุเตสุธรมเมสุอนนุสุเตสุธรมเมสุบอกว่าเรา เในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนอน น, นุสุเตสุธรรมเนสุเนี่ยนะในธรรมทั้งหลายเกิดมาไม่เคยได้ยินใครพูดให้ฟังเลยมั้งกันเคยได้ฟังนู่นอดีตชาติมานแล้วเมื่อสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพนาว่ากัสสปะนั่นแนหะสมัยที่เคยบวชทคยเรียนมั้งกันแต่ในชาติสุดท้ายไม่มีใครแนะนําเสี่ยมสอนคิดได้เองในอริยสัจทั้งหลายวิจัยได้เองแม้แตว่ว่า ท่านใช้เวลาแม้กระทั่งชาติสุดท้ายทั้งๆ ท, ท, ที่สั่งสมบารมีมาหกมาเสียสงไข่แสงกลับขนาดนั้นก็ยังเพียรในการวิจัยอริยศัสตร์กอกปีที่บอกว่ากลั้นลมหายใจอะไรทั้งหลายแหลนั้นคือการส่วนหนึ่งอะใจของท่านวิจัยอริยศาสตร์อยู่แต่ร่างกายอาจจะอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอะไรก็ตามเถอะแต่ใจของท่านภายในลึกๆก็คือการวิจัยอริยศาสตร์ค้นคว้าอริยศาสตร์